จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรมเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจ มาบำเพ็ญ บ, พบุญบารมีเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้ไกลจากความทุกข์ใจไกลจากความวุ่นวายใจต่างๆด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีคือการให้ศีลบารมีคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น เนคขมบารมีคือการละความสุขทางโลกและปัญญาบารมีคือการชรารู้ทันความหลงความโลภความโกรธที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ที่เป็นเหตุพาสันโลกให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้น การบำเพ็ญบุญบา ร, รมีราี้จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีภพชาติหลงเหลืออยู่เลยขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีนี้เท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลาบยศสารเสริญสุดที่พวกเราใช้เวลากันมากมายเพื่อแสวงหากันแต่หารู้ไหมว่ามันไม่มีประโยชน์กับจิตใจเลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วกลับเป็นโทษกับจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิ้น เป็นบุญที่มีพระพุทธเจ้าผู้ตัดสูุ้ธรรมผู้เห็นถึงโทษของลาภยศสารเสริญสุขทั้งหลายเห็นคุณของบุญบารมีทั้งหลายยังได้นำเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกซึ่งเปรียบเหมือนคนตาบอดไม่รู้จากทางที่จะพาจิตใจให้ไปสู่ความสุข ให้สู่ให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมีคนนำทางคนตาบอดถึงจะสามารถไปได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาสั่งสอนทำให้กับสัตว์โลกสัตว์โลกก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาสั่งสอนพระธรรมคำสอนอันเลิศอันประเสริฐที่เรียกว่าสวากขาโตภะกวตาธรรมโมทำที่จัดไว้ชอบแล้วคือทำที่ถูกต้องตามหลักความจริงให้แก่สัตว์โลกเมื่อสัตว์โลกได้ยินได้ฟังก็จะมีโอกาสได้ประพฤติตนเองได้บำเพ็ญตนเอง ให้หลุดพ้นจากความเวียนความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คืออนิสง์หรือบุญบราริีหรือวาสนาของสว์โลกที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงอยไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันดีงาม น, นี้ผ่านไปเพราะถ้าตายไปแล้วไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่ได้เจอมาเกิดก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ทควรอย่างมากก็อาจจะทำบุญรักษาศีลไปได้แต่ยังไม่มีปัญญาที่จะไปทำลายความหลงที่เป็นเหตุพาให้สัตว์โลกมีความโลภความอยากมีความโกรธ แล้วก็ต้องไปเวียนว่าตายเกิดตามความโลภตามความอยากต่างๆต่อไปดังนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่ดีที่สุดแล้วสําหรับจิตใจในเรื่องของการยกตนเองให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายไม่มีชาติไหนภพไหนจะดีเท่าเพราะชาตินี้มีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์ที่คอยสั่งสอนถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้า แต่ก็มีพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงกรัสว่าทมนี้แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนตถาคตต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากตถาคตคือพระพุทธเจ้าถ้าพวกเธอน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยเช่นทุกวันพระก็ควรที่จะเข้าวัดเพื่อฟังเทศฟังธรรมกัน เพราะเมื่อฟังเทศฟังธรรมหูตาก็จะสว่างขึ้นจะรู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณกับชีวิตจิตใจเช่นวันนี้ก็ได้สอนแล้วว่าโทษของชีวิตจิตใจเราก็คือลาบยศสรรเสริญสุกนี้ไม่มีสรรโลกตัวไหนที่จะไม่ทุกข์กับลาบยศสรรเสริญสุกถ้ามีลาบแล้วก็ต้องมีความเสื่อมลาบมียศก็มีการเสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีความเสื่องมีนินทามีทุกข์มีสุขก็มีทุกต่าง ม, มาถ้าเมื่อสัตว์โลกไม่ปรารถนาความเสื่องในยศในลาบไม่ปรารถนาความนินทาไม่ปรารถนาความทุกขเมื่อไปเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญสุขก็จะต้องเจอจนได้แต่หารู้ไม่ว่าลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้มันมี มันมีส่วนที่ไม่ดี ต, ดติดตามมาด้วยก็คือมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาได้เงินมากมายกายกองก็หมดไปได้มีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็หมดไปได้มีความสุขมากเพียงไรก็หมดไปได้มีคนสรรเสริญยกย่องมากน้อยเพียงไรก็หมดไปได้เราไม่ต้องดูไกลดูในโลกนี้ดูในชีวิตนี้ ดูคนรอบข้างตัวเราเขาก็มีเสื่อมกันทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวเราเองก็มีความเสื่อมเช่นเดียวกันแต่เราไม่คิดกันพอเราเสื่อมเราก็วิ่งเหมือนกับสุนัขโดนน้ำร้อนไม่เคยตั้งสติถามตัวเองเลยว่าเราไปเจอน้ำร้อนได้อย่างไรถ้าคิดซะหน่อยว่าน้ำร้อนมันอยู่ตรงไหนเราก็อย่าเดินเข้าใกล้มันเสีย น้ำร้อนมันก็จะไม่รกเราแต่แทนที่จะคิดซะหน่อยว่าน้ําร้อนมันอยู่ตรงไหนก็กลับรีบวิ่งหนีหนีไปแล้วก็ไปเจอน้ําร้อนอีกที่หนึ่งจนได้ก็คือพอทุกจากราบทุกจากการเสื่อมของราบยศสารเสริญสุขแล้วแทนที่จะหนีแทนที่จะไม่เข้าใกล้ราบยศสารเสริญสุขก็กลับวิ่งไปหาราบยศสารเสริญสุขมาอีก เงินหมดก็ต้องรีบหาเงินใหม่ตำแหน่งหมดก็ต้องรีบหาตำแหน่งใหม่คนสรรเสริญยกย่องเยีนยอหมดก็ต้องรีบหาใหม่ความสุขที่ได้จากการเสพกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะพอหมดไปก็ต้องรีบหาใหม่แทนที่จะนั่งคิดติกตองซะหน่อยว่าที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไร ถ้าคิดเราก็จะเห็นว่าก็เพราะเราไปติดราบยศสารเสริญสุขเองนั่นเองไม่ได้เพราะอะไรถ้าเราถอนออกมาจากราบยศสารเสริญสุขได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะเสื่อมมันก็ไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเช่นพระพุทธเจ้าพระอารหาันตสาวก ท, ทั้งหลายหรือผู้พุทธที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านถอนออกจากความออกจากราบยศสารเสริญสุข ท่านไม่ไปอยู่ได้ท่านไม่ยึดไม่ติดกับลาบยศสารเสรินสุดเมื่อไม่ติดแล้วก็ไม่เดือดร้อนจิตใจของเรานี้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญสุขและอยู่ดีกว่ามีเสียด้วยซ้ำไปพระลาบยศสรรเสริญสุดนี้ก็เปรียบเหมือนกับยาเสพติดเปรียบเหมือนสุรายาเมาเปรียบเหมือนบุร่ถ้าไป ติดยาเสพติดติดสุรายาเมาติดบุหรี่แล้วก็จะต้องหามาเสพมาเสพอยู่เรื่อยๆถ้าหามาไม่ได้ก็ต้องทุกข์ทรมานใจนี่คือปัญหาของคนที่ติดยาเสพติดติดสุราติดบุหรี่แต่คนที่ไม่ติดนั้นเขาสบายเขาไม่ได้เดือดร้อนไม่จําเป็นจะต้องไปดิ้นรนไปหามาเสพอยู่เรื่อยๆไม่มีเสพก็ไม่เดือดร้อน มีเสพก็ไม่เสพเพราะรู้โทษของมันมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ถ้ารู้ว่าเป็นระเบิดเวลาที่เขาตั้งไว้แต่เราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดเมื่อไหรมีแต่เราจะต้องพยายามถอยออกไปให้ห่างไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพราะเมื่อมันเกิดระเบิดขึ้นมาเราจะได้ไม่ถูกถูกมันทําลาย แต่ถ้าเราเป็นคนตาบอดไม่รู้ว่านี่เป็นระเบิดเวลาจับมันคํำมันแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักดีมีความสุขดีก็เลยเจะเก็บเอาไว้กับตัวพอถึงเวลามันระเบิดขึ้นมาก็ต้องต้องทุกข์ทรมานนี่คือราบยศสรรเสริญสุขมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมหมดไปไม่ไรไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละตั้งแต่ คนธรรมดาสามัญจนถึงพระมหากษัตริย์พระธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเจอความเสื่อมแบบนี้ทั้งนั้นแต่คนที่ประมาทเขาก็จะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เหมือนกับคนที่หลงเรือเขารู้ว่าเรือมันอาจจะล่มเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาเตรียมชูชีพเอาไว้เขาก็จะไม่ไม่มีไม่มีปัญหาพอเอรือล่มก็ลงเรือ ก็หาชูชีพมาคล้องแล้วก็ลอยคอว่ายน้าไปได้แต่ถ้าไม่มีชูชีพมันก็ถึงเวลาก็อาจจะต้องจมลงไปกับเรือก็ได้คนฉลาดเขาจึงมีมีชูชีพไว้ป้องกันตัวเขาเองเขาไม่หลงยึดติดกับลาบยศเสริญสุขแบบงมเงียมเขาจะฝึกอยู่แบบไม่มีลาบยศเสริญสุข ทั้งๆ ท, ที่เขามีเงินทองมากมายมีความสุขทางโลกมากมายแต่พอถึงวันพระเขาก็จะมาหัดอยู่แบบคนยากคนจนอยู่แบบไม่ต้องมีความสุขทางโลกคือมาถือเนคขมมะบา ร, รมีมาบำเพ็ญเนคขมมะบา ร, รมีคือมาตัดความสุขทางโลกเช่นไม่นอนหลับกับคู่ ค, ครองของตนสามีภรรยา จะถือศีลอะพ ร, รมจันทร์อะพรมมจารยาเวรามณีแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่หิวไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไม่ต้องกินมันทั้งวันกินเพียงก่อนเที่ยงก็พอหลังเที่ยงไปแล้วก็ไม่ต้องกินกินมันให้พอก่อนเที่ยง ร่างกายมันต้องการเท่าไหร่ก็กินมันให้พอเหมือนกับเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันรถก็เต็มให้มันเต็มถังไปเลยพอเติมเต็มถังแล้วก็ไม่ต้องกังวลที่จะไปเติมอีกเน่ยแต่ถ้าเติมทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวขับรถไปได้สักเดียวเดียวอาะน้ำมันหมดอีกแล้วต้องเติมอีกแล้วแต่ถ้าเติมมันทีเดียวเต็มถังก็ขับไปได้ยาวขับไปได้ไกลดังนั้นการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกัน วันพระนี่เรามาถือศีลแปดเราก็รับประทานอาหารให้มันเต็มที่ให้มันเต็มท้องไปเลยกินให้มันให้พอพอแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับมันอีกเพราะเราไม่ได้กินเพื่อความสุขถ้ากินเพื่อความสุขต้องกินบ่อยๆกินสองสามคำเราเดี๋ยวก็กินอีกเดี๋ยวก็กินอีกเห็นอะไรนึกอยากจะกินก็กินกินอย่างนี้ไม่ได้กินเพื่อร่างกาย แต่กินเพื่อกิเลสกินเพื่อความอยากถ้ากินอย่างนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอคนทุกวันนี้จึงมีน้ำหนักเกินกันกเพราะไม่ได้กินเพื่อร่างกายแต่กินเพื่อกิเลสกินตามความอยากร่างกายมันลอยอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตามมา วันนี้เราต้องการที่จะกำจัดกิเลสความอยากในรสชาติของอาหารเราก็จะกินแบบมีขอบมีเขตเราจะกำหนดจะกินมื้อเดียวก็ได้หรือจะกินสองมื้อก็ได้แต่จะไม่ให้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะกำจัดกิเลสไปได้หลายตัวเพราะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกิเลสอยากจะกินก็กินไม่ได้นะ เราก็ชนะกิเลสได้หลายตัวเมื่อกิเลสมันน้อยลงไปความสุขใจก็มีมากขึ้นมาเพราะกิเลสนี่เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคเชื้อโรคในร่างกายถ้ามีเชื้อโรคมากร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมากพอเชื้อโรคนั้นน้อยลงไปอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเบาบางลงไปนี่แหละคือเหตุที่พวกเราต้องมา ละความสุขทางโลกกันเพื่อมาสร้างความสุขทางด้านจิตใจเพราะถ้าเรามีความสุขทางด้านจิตใจแล้วต่อไปเราไม่ต้องยึดติดกับรากยึดะะเสรรสริญสุขเราไม่มีราบยศสรรสริญสุขเราก็อยู่ได้เพราะพ่ะพุทธเจ้าท่านก็อยู่ได้พระอรหันต์สาวกท่านก็อยู่ได้พระสงองค์เจ้าท่านก็อยู่กันได้ท่านก็ไม่ได้มีรากยศดะะเสรรส่วนสุขเหมือนกับศรัทธาญาติโยมมีกัน แต่ทำไมท่านอยู่ได้เพราะท่านก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดนั่นเองคนไม่ติดยาเสพติดเขาก็อยู่ได้คนที่ติดยาเสพติดนั่นแหละกับเป็นคนที่จะทุกข์ทรมานใจคนที่ยังติ ด, าดลากยศสารเสวนสุขอยู่ก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเวลาที่จะต้องอดข้าวเย็นทีก็จะทุกข์เวลาที่จะต้องอยู่เฉยๆนั่งสวดมนต์หรือทาจิตใจให้สงบ ก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรอยู่เรื่อยๆนั่นเองเราจึงต้องมาฝึกมาตัดความยึดติดใ น, านดลาภยศสารเสริญสุดเพราะถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำแล้วจิตใจของเราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากบ่วงของมานไปได้หลุดพ้นจากบ่วงของกิเลส ข, ของตัณหาของความอยากต่างๆได้ ทุกวันนี้ที่พวกเราทุกกันก็ไม่ได้ทุกเพราะอะไรก็ทุกเพราะความอยากเพราะความโลภนี่เองทงั้งๆที่เราไม่จำเป็นจะต้องอยากต้องโลภเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขมากมายแต่เรากับไม่รู้กันเรากับถูกความหลงมันหลอกให้เราโลภหลอกให้เราอยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอโลภอยากแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องนิ่งร น, นต้องขวนขวาย ต้องยำบากรกรรมเหนือ่อยเหนื่อยแรงเหนื่อยใจหาเงินหาทองหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาพอหามาได้แล้วแทนที่จะพอก็กลับไม่พอเองต้องเอาเพิ่มขึ้นอีกกิเลสมันสั่งให้ไปเอาคืบพอได้คืบแล้วมันก็บอกเอาสอบพอได้สอบมันก็จะเอาวามันจะไม่มีคำว่าพอถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปหาความสุขได้อย่างไร ต้องดิ้นรนตะเกียบตะกายต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆแล้วพอได้มาก็ต้องดิ้นรนเอาไปใช้มันอีกต้องเหนื่อยยากกับการใช้เงินใช้ทองอีกแทนที่จะอยู่บ้านหลับนอนกินข้าวพักผ่อนให้สบายก็อยู่ไม่ได้กิเลสมันก็สั่งให้เราไปที่นั่นไปที่นี่ถ้ามีเงินมากก็ให้ไปไกลให้ไปลอกโลกแล้วก็ต้องไปเสียงภยัยกับภัยต่างๆ ต้องไปวุ่นวายกับการาซื้อตั๋วจองที่พักหาที่กินอะไรต่างๆไม่มีความสุขหรอกสิ่งที่กิเลสหลอกให้พวกเราไปแสวงหากันเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่การอยู่เฉยๆนี่ต่างหากคนที่อยู่เฉยได้่บดแล้วมีความสุขนั่นแะเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญ เป็นคนที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมามากไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องตะเกียกตะกายไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปแข่แย่งจิงดีกับคนนั้นกับคนนี้ไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามีปัญหากับคนก็เพราะว่าความอยากของเรานั่นเองเราอยากได้นสิ่งเดียวกันกับ อีกคนหลายคนก็ต้องแข่งแย่งกันเหมือนคนที่ไปแข่งขันโอลิมปิกกันในวันนี้ก็ไปแข่งแย่งเพื่อเอาเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงคนได้ก็ดีอกดีใจคนไม่ได้ก็เสียอกเสียใจอุศาฝึกซ้อมอุศาอดทนอดกั้นมาต้องนมนานทำไปแล้วก็ไม่ได้อะไรคนได้ก็ไม่พออยากจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นอีกพอไม่ได้ก็เสียใจอีกน่ เนี่ยมันวิ่งไปหาความเสียใจทั้งนั้นไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะได้มันก็ไม่พอเมื่อไม่พอมันก็ต้องหาอีกหาอีกเมื่อหาไม่ได้มันก็ต้องเสียใจถ้าหาได้อีกก็อยากจะได้อีกมีคนยังได้ปิดคราวที่แล้วได้หกเหรียญทองคราวนี้อยากจะได้8ดเหรียญทองแล้วถ้าเกิดได้อีกก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วพอไม่ได้ถึงแม้จะได้มาแล้วสิบกว่าเหรียญทอง พอไม่ได้เหรียญสุดท้ายก็ต้องมาเสียใจอีกนี่แหละคือเรื่องของความโลภของความอยากมันเป็นอย่างนี้มันหลอกให้เราวิ่งเข้าหาความทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่มีความสุขเลยต่างกับคนที่นั่งอยู่บ้านแล้วเปิดดูโทรทัศน์ไม่ได้แสนจะสบายใครจะได้กี่เหรียญเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะไม่ได้กี่เหรียญเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็นั่งดูไปสนุกเพลิดเพลินไป อย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยได้มาก็เท่านั้นคนไม่ได้ก็แสนจะสบายไม่ต้องไปทรมานไปอบรมเข้าค่ายอยู่ห่างบ้านห่างพี่ห่างน้องห่างพ่อห่างแม่แล้วก็ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นไปแข่งขันกับคนอื่นนี่แหละเป็นเรื่องของความหลงมันพาไปเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่รู้จักทางที่จะพา ให้ชีวิตจิตใจของตนเองไปสู่ความร่มเย็ยนเป็นสุขมันง่ายเหลือเกินการร่มเย็ยนเป็นสุขนี้ถ้าเพียงแต่ว่าจะทําได้หรือไม่เท่านั้นเองก็คืออยู่เฉยๆนั่นเองวันไหนว่างๆลองลองหาเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นสักวันดูบอกว่าวันนี้จะไม่ลุกไปไหนจะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นั้นยกเว้นเวลาจะเข้าห้องน้ําเท่านั้นเองถ้าจะดื่มน้ําก็อาน้ําไว้ข้างๆตัวเอง แล้วไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องดูโทรทัศน์ไม่ต้องทําอะไรนอกจากสวดมนต์ไปก็ได้พุโทโธไปก็ได้ดูลมหายใจไปก็ได้แต่เราจะไม่อาศัยสิ่งภายนอกกายของเรามาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งเราจะอยู่กับกายกับใจของเราถ้าใจเราจะคิดให้มันคิดเพื่อให้มันสงบให้มันอยู่เฉยๆให้ได้ลองฝึกทําดู ถ้าทําได้แล้วต่อไปเราจะสบายเราจะไม่มีกิเลสมาคอยสั่งให้เราไปหาเงินหาทองหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรานั่งอยู่เฉยเราก็มีความสุขเราอยากจะไปก็มีธุระไปไหนก็ไปได้ไม่มีธุระเราก็ไม่ไปเพราะเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากอะไรเพราะในโลกนี้ไม่มีความสุข ความสุขที่แท้จริงไม่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีความทุกข์แถมมาด้วยเสมอเพราะมันมีความเสื่อมตามมาได้อะไรมามันก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็จากเราไปแล้วเราก็ต้องมาร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรได้เราจะแสนจะสบายไม่ต้องมาเสียอกเสียใจ ขโมยขึ้นบ้านก็ไม่มีอะไรให้มันขึ้นไปในบ้านก็ไม่มีอะไรมีแต่เสือมีแต่ม้อนก็เท่านั้นเองมันจะเอาอะไรไปได้เราไปไหนเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจเวลากลับมาข้าวของหายไปขโมยขึ้นบ้านไปหรือแฟนจากเราไปทิ้งเราไปหรือไปมีคู่คู่ครองคนใหม่สิ่งเหล่านี้จะไม่มากระทบกับใจของเราได้เลย เพรใจของเราไม่ได้ไปยึดไปติดไปอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองนี่แหละคือเป้าหมายของของการบําเพ็ญบุญบารมีเพื่อจะทําให้เราอยู่ที่เฉยโดยลําพังของเราได้ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องบํารุงบำเรอไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้าชนิดต่างๆเช่นไม่ต้องมีโทรทัศน์ไม่ต้องมีวิทยุไม่ต้องมีเครื่องเสียง ไม่ต้องมีขนมไม่ต้องมีอะไรต่างๆมาคอยบำรุงบำเลอของพวกนี้บำรเลนบำเลอมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้รู้จักคำว่าพอก็ต้องหามันมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้มาก็ต้องทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราพยายามฝืนความอยากเวลามันอยากจะดูก็ไม่ให้มันดูเวลาอยากจะฟังก็ไม่ให้ฟังเวลาอยากจะเดินจะกินจะเคี้ยวของที่ไม่จาเป็นก็ไม่ให้มันเคี้ยว ถ้าจะดื่มก็ต้องดื่มแต่น้ํำเปล่าเท่านั้นเพราะมีความจําเป็นถ้าจะกินก็จะกินแต่ข้าวและกินเฉพาะเวลาเท่านั้นเช่นกินก่อนเที่ยงวันไปแล้วเป็นต้นหรือถ้าเป็นวันธรรมดาถือศีนห้าก็กินมันวันรำสมื้อแต่ไม่กินอย่างอื่นหลังจากนั้นระหว่างมื้อก็ไม่กินจะกินอะไรก็กินเฉพาะตอนที่เรากินข้าวอยากจะกินขนมก็กินพร้อมกันไปแต่พอกินเสร็จแล้ว ก็ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะกินขนมกินอะไรเพราะการกินแบบนั้นมันเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีเป็นการเลี้ยงกิเลสเป็นการเพราะกิเลสให้มันมีมากขึ้นเพื่อมันจะได้มา ส, สั่งการใช้เราให้วุ่นวายมากขึ้นนั่นเองถ้าเรามีวินยัยมีตารางมีกำหนดเวลาทำอะไรถึงเวลาก็ทา ถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ทาถึงเวลากินก็กินถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็ไม่กินอย่างนี้กิเลสมันก็จะน้อยลงไปแล้วต่อไปเราก็ลดเวลากินให้มันน้อยลงกินสามมือก็ลดลงเหลือสองมือกินสองมือก็ลดลงเหลือหนึ่งมือหนึ่งมือนี่ก็อยู่ได้ไม่ตายรับรองได้พระที่ท่านปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านก็ชันมือเดียวกันตลอด นั่นก็อยู่กันได้ไม่เป็นโรคกระเพาะมีอายุยืนยาวนานบางองค์ถึงร้อยปีก็อยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่ากินมื้อเดียวหรือสามมือ้ออยู่ที่ว่าเรากินให้มันพอเพียงหรือเปล่าถ้าเรากินให้พอแล้วกินมื้อเดียวก็เหมือนกับกินสามมือ้อนี่คือวิธีปราบกิเลสวิธีตัดความยึดติดความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราตัดได้ต่อไปเราก็จะ มีความสุขมากขึ้นและจะไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยลงจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยนี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถทํากันได้ไม่ลําบากจนเกินไปทางนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นทางสายกลางไม่ลําบากจนจนไปและไม่ง่ายนจนเกินไปง่ายก็คือหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้มันง่าย แต่มันไม่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ยากก็คือทรมานตนเองเช่นไม่อาบน้ำไม่โกนผมไม่ไม่ตัดผมไม่ใส่เสื้อผ้านั่งอยู่บนตะปูอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันยากแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเพราะมันไม่ได้ไปกำจัดกิเลสให้หมดไปทางสายกลางของพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลบารมีทานศีลภาวนา ให้เราทำบุญให้ทานอย่างที่เรามาทำกันวันนี้เรามาตัดลาบอย่าไปยึดติดในลาบเงินทองมีเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแจกเอามาจ่ายคนอื่นเพราะถ้าเราแจกจ่ายแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้ไม่รู้จะเอามาทําไมเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอามาให้คนอื่นอีกนี่หมายถึงเงินที่เหลือใช้เหลือกินเงินที่ยังต้องมีไว้สําหรับชใ ช, ใช้ใช้กินอยู่ก็ต้องเก็บเอาไว้ แา่เงินที่มันเป็นส่วนเกินก็อยากเก็บเอาไว้เอามาบริยจากเอามาทำบุญให้ทานเพราะจะทำให้ความโลภมันน้อยลงและจะทำให้ความอิ่มมันมีมากขึ้นเมื่อเราไม่ต้องแสวงหาเราก็จะมีเวลามาบาเพ็ญมาวัดบ่อยขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมมากขึ้นมารักษาศีลได้มากขึ้นแล้วก็มาทำจิตใจมาบาเพ็ญเนคขมะบารมีมาถือศีลแปลนอกจาก ไม่นอนกับคู่ครองแล้วก็ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่นอนหลับไม่นอนบนเตียงบนฟูกหนาๆให้นอนกับพื้นแข็งๆปูเสือ่อหรือปูผ้าเพราะเราไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนเราต้องการเพียงพักผ่อนร่างกายถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆแล้วมันจะ น, นมันจะติดนอนมันจะนอนมากจนเกินไปทาให้ขี้เกียจ ถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์ถึงเวลาจะนั่งทำสมาธิก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้าเรานอนบนไม้แข็งๆบนพื้นแข็งๆพอนอนพักได้สักสี่ห้าชั่วโมงร่างกายก็จะอิ่มจะพอก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะมีกำลังวังชาที่อยากจะลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิเพราะเป็นการทาจิตให้สงบทาจิตให้สบาย ทำจิตให้อิ่มให้พอเป็นการตัดความยึดติดในลาบยศสรเสริ่งสุขทั้งหลายนั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะไม่สามารถที่จะตัดความยึดติดในลาบยศสารเสริ่งสุขได้สมาธิและปัญญานี้เป็นเหมือนกับเครื่องมือเช่นเดียวกับเวลาที่เราเปลี่ยนยางรถเวลายางแตก ถ้าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีแม่แรงไม่มีเครื่องมือที่จะถอดน็อตออกมาเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนล้อได้เปลี่ยนยางได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะมียกล้อรถให้มันลอยขึ้นมาถอดน็อตออกมาแล้วก็เอาเอาล้ออันใหม่ใส่เข้าไปฉันใดถ้าเราอยากจะตัดราบยศเสริญสูง เราก็ต้องมีเครื่องมือเราต้องมีสมาธิต้องมีปัญญามีศีลและมีทานถึงจะสามารถตัดความยึดติดในราบยศสรรสริญสุขได้นี่แหละเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกเราทำบุญให้ทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทธโธก็ได้หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ แล้วก็ให้เจริญปัญญาให้เห็นว่าไม่มีอะไรต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเสื่อมและมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ใช่เป็นของของเราให้เห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไร เมื่อไม่อยากได้อะไรเราก็จะสามารถอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขนี่แหละคือการบาเพ็ญบุญบารมีบาเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์และไม่ต้งองรอถึงพบหน้าชาติหน้าเพราะเราตอนนี้เราโชคดีเราได้เจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีพระธรรมคำสอนนำทางแล้วชาตินี้ก็บรรลุได้ไม่จำเป็นต้องบาเพ็ญบุญบารมีเป็นกลับเป็นการ เหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะพ่อพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีพระธรรมคำสอนนำทางนั่นเองท่านต้องคําหาทางเองท่านเลยจะต้องเสียเวลามากแต่พวกเรานี่สบายมากมีคนนำทางอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้เดินตามเท่า น, นั้นเองประเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วเพราะที่เราต้องการจะไปมันไม่ไกลแสนไกลหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเท่า น, นั้นเอง พอเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ อ, อยู่ที่การตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธตัดความหลงตัดความอยากต่างๆเราก็ตัดมันเท่านั้นเองตัดมันเดียวเดียวใจของเราก็ถึงเป้าหมายแล้วถึงจุดหมายปลายทางถึงปรมงสุขขังแล้วอยู่ตรงนี้ทะานั้นชาตินี้เป็นชาติที่เหมาะที่สุดที่เลิศที่สุดที่วิเศษที่สุด ที่จะช่วยยกจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไปรอชาติต่อไปนี้เราก็จะต้องรอไปอีกเป็นกับเป็นกันเพราะไม่รู้จะเจอกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเมื่อไรยิงขออย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้หลุดลอยไปโดยไม่ได้บเัเทิงบุญบารมีขอให้พยายามสร้างบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจากจากอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็เป็นอาทิตย์ละสามครั้ง สมครั้งก็เป็นห้าครั้งแล้วเป็นเจ็ครั้งต่อไปก็บำเพ็ญบุญบา ร, รมีตลอดทุกลมหายใจทข้าออกเลยถ้าบำเพ็ญอย่างนี้ได้แล้วไม่เกินเจปีเื่อดีไม่ดีภายในเจ็ดวันก็สามารถหลุดพ้นได้จึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป